บทพุทธกุลร้อยบทที่เราได้ ส, สาธยายไปสักครู่นะนอกจากจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อการสารเสริญพระองค์แล้วเนี่ยสิ่งที่ควรทำควบคู่ไปด้วยก็คือการใคร่ควรวญการพิจารณาอย่างเช่นให้สังเกตว่า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 อันนี้ไม่ได้จัดว่าเป็นพุทธคุณนะทั้งร้อยประการอาจจะมีบางบทที่บอกว่าพระองค์ทรงมีญาณญาณ น, นเวศหรือว่ามีเวศนะเวทนี่ก็ไม่ใช่เวศมนนะแต่หมายถึงญาณที่เป็นเครื่องทะลุโมหะ <c oughs> ก็คือทาให้เกิด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 พระที่จะเป็นที่ศรัทธานับถือหลายคนก็ไปดูตรงนี้แหละดูที่การมีเวทมนต์คาถามีความสามารถในการาทายใจหรือว่าดลบันดาลสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความปรารถนาของเราที่จริงพระรุปทรงก็มีความสามารถส่วนนี้นะแต่ว่า ก็ไม่จัดว่าเป็นพุทธคุณนะในร้อยประการที่ว่าเนี่ยที่เราสาธยายเนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะว่าอะไรคือพุทธคุณที่ประเสริฐนะความศักดิ์สิทธิ์นะของพระองค์เนี่ยอยู่ที่คุณธรรมและการเข้าถึงสัจธรรมนะจนพ้นทุกข์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 เพียงยกเอาพุทธคุณข้อใดข้อหนึ่งนะมาเป็นเป็นแบบอย่างหรือจะเป็นจุดหมายก็ได้โดยเพราะนะการมีปัญญานะที่เป็นเครื่องดับกิเลสนำะมาเป็นจุดหมายของชีวิตเพื่อที่จะได้ทำความเพียรให้ได้เข้าใกลนะ้สภาวะนั้นให้มากที่สุด อกอันนึงที่อยากจะให้สังเกตนะว่าพุทธคุณร้อยประการเนี่ยนะไม่มีข้อไหนนะที่บอกว่าพระองค์จะไม่ถูกตําหนิติเตียนจะไม่ถูกต่อว่าด่าทอหรือไม่มีผู้ใดใส่ร้ายนะไม่มีนะพระองค์เนี่ยแม้จะทรงคุณในพิเศษหรือว่าประเสริฐอย่างไรนะก็ยังมีคนตําหนิติเตียนนะมีคน ต่อว่าด่าทอหรือยิ่งกว่านนะั้นคือใส่ร้ายนะไม่ได้ใส่ร้ายธรรมดานะใส่ร้ายว่าไปอยู่เบื้องหลังการฆ่าผู้หญิงนะเป็นข้อหาที่ร้ายแรงมากไม่มีข้อใดในพุทธคุณร้อยบทที่บอกว่าพระองค์นะจะไม่มีวันแกนะ่แล้วก็จะเป็นอมตะ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 ต้องเจ็บต้องป่วยต้องสูญเสียพัดพราดจากคนรักของรักข้อนี้ทุกคนต้องประสบพระพุทธองค์เองก็เจออยู่บ่อยๆเรือไม่น้อยเลยนะไม่มีใครนะที่จะมีคุณวิเศษชนิดที่ว่าปราศจาก คนตำหนิตีเตียนคนต่อว่าด่าทอหรือว่ามีแต่คนสารเสริญนะไปทั่วทั้งโลกโดยไม่มีใครเกียรติชังเลยพระองค์ก็ไม่มีคุณสมบัติข้อนี้นะเพราะว่ามันเป็นการฝืนธรรมชาติส่งคุณวิเศษอย่างไรนะก็ต้องแก่ต้องเจ็บ นะต้องป่วยแล้วก็ต้องตายให้เวลาเราเจอหรือประสบภาวะแบบนี้เนี่ยนะอย่าบน่นโวยวายตีโพยตีพายว่าทาไมต้องเป็นชั้นทำไมชั้นทำความดีมาต้องนานจึงไม่มีคนเห็นความดีของชั่นที่เขาไม่เห็นนะ่ะยังดีนะที่เขาไม่เห็นความดีของเรานี่ยังดีเพราะว่า ไอ้ที่เขาสามารถจะทำได้มากกว่านั้นเนี่ยกับเราเนี่ยยังมีอีกเยอะเช่นใส่ร้ายนะหรือว่ายัางบอกบอกก็ดินทาว่าร้ายนะไอ้ที่เขาไม่เห็นความดีของเราก็ถือว่าเป็นโชคแล้วนะเพราะว่าาจะเจอมากกว่านั้นก็ได้ในวันหน้าทำดีแค่ไหนก็อย่าไปคิดว่าเราจะปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ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 เหนือสิ่งเหล่านั้นคือใจไม่ทุกได้แม้จะอยู่ท่ามกลางโลกที่มันผันผวนปรวนแปรมีบวกมีลบมีร้อนมีหนาวมีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์นะแต่พระองค์ก็สามารถจะยกจิตเหนือทุกได้เรียกว่าตัวอยู่ในโลกนะแต่ว่าใจอยู่เหนือโลกหรือพ้นโลกนะ เราทุกคนเนี่ยตราบใดที่ตัวยังอยู่ในโลกเนี่ยมันก็ต้องเจอนะสารพัดนะที่เรียกลมๆว่าทุกข์นะอย่างที่เราสวดสาธยายกันเกือบทุกเชา้าเกิดขึ้นมาทันทีที่เกิดมาก็ทุกข์แล้วนะเด็กที่คลอดมาจากท้องแม่แต่และคนแต่และคนก็ทุกข์ทั้งนั้นแหลนะเด็กต้องร้องอูแวอูแวนะเด็กต้อง ตื่นตกใจพยนะยามฝืนที่จะไม่ออกมาก็ไม่สำเร็จอันนี้ก็เรียกว่าการเกิดเป็นทุกข์นะความแก่ความเจ็บนะก็เกิดขึ้นด้งนั้นก็เรียกว่าทุกข์ระหว่างนั้นก็ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักพัดพาจากสิ่งที่รัก มีความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความรับแทนใจนะปรารถนาอะไรก็ไม่ได้หรือถึงได้ก็ได้ไม่พอได้ไม่สมอยากก็ทุกข์นะอันนี้คือสภาวะที่ทุกคนต้องเจอนะมากบ้างน้อยบ้าง ถ้าหากว่าตัวเองอยู่ในโลกนะไม่ได้อยู่บนสวรรค์เนี่ยนะก็ต้องเจอแต่ว่าใจเนี่ยนะสามารถจะเหนือโลกได้นะเหนือโลกก็คือความพันผว ล, ล, ล ป, ล ว, นปลวนแปลความไม่เที่ยงทํอะไรไม่ได้ทาอะไรจิตใจไม่ได้อาจจะทําได้กับร่างกายอาจจะทําได้กับเข้าวของทรัพย์สมบัติหรือ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 ไม่ว่าเป็นอะไรไม่ว่ามีอะไรในที่สุดมันก็แปลเปลี่ยนไปทั้งนั้นมันเป็นเพียงแค่ของชั่วคราวชั่วครูช่ว ย, ว ย, ยามเม่ว่าจะเป็นความหนุ่มความสาวเม่ว่าจะเป็นความรู้ที่มีไม่ว่าจะเป็นคดมีสุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่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 แต่ว่าส่วนนี้เนี่ยชื่อว่าสวนฟรอกเนอร์พาร์คหรือว่าวิจิลแลนด์พาร์คเปิด24ชั่วโมงนะวิจิลแลนด์นี่เป็นชื่อของอศิลปินนะซึ่งสลักหรือว่าเป็นทำสถาบันทำสลักเป็นรูปต่างๆเป็นรูปคนนะในนั้นเนี่ยจะมี รูปสลักนะประมาณสองร้อกว่าชิ้นเป็นรูปคนทั้งนั้นแหละตอนที่เดินไปช่วงแรกต้นๆนี่ก็เป็นรูปเด็กนะเด็กน่ารักเด็กกำลังสนุกสนานรื่นเริงแต่พอเดินไปเดินไปเด็กก็ค่อยหายไปไกลายเป็นผู้ใหญ่เป็นหนุนเป็นสาว ก็มีความสุขนะมีความเพลิดเพลินยินดีนะที่อยู่ร่วมกันมีความรักแต่พอเดินไปอีกหน่อยภาพที่เห็นหรือรูปสลักที่ปรากฏเนี่ยมันก็เริ่มนะมีปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับคนเรานั้นเช่นความสูญเสียความพัดพราก เดินแปลงหน่อยนะรูปที่เห็นเนี่ยก็เป็นรูปคนแก่หญิงและชายก็กําลังเศร้าโศกเศร้าโศกนะก็ไม่ทราบว่าเศร้าโศกเพราะอะไรอาจจะมี <c oughs> อาจจะสูญเสียคนรักสูญเสียลูกหรืออาจจะกําลังเจ็บป่วยอยู่รูปทั้งหมดที่ว่ามาสองแล้วก็รูปเนี่ยนะล้วลแต่เปลือยนะ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 10นะกว่าเมตรก็เป็นรูปเป็นรูปคนนะนอนกายกองกันนะจะว่ามองเป็นซากศพก็ได้หรือว่าจะมองเป็นความล้นเหลือของผู้คนนะคนที่นอนอยู่เขาก็ไม่ได้แสดงหน้าตาให้เราเห็นนะบางบางจุดก็เป็นรูปคนที่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 ต้องการสื่ออะไรทําไมคนถึงต้องเปลือยหมดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะเป็นเด็กคนแกนะ่อันนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการสื่อถึงความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าชาติใดภาษาใดก็รู้ล้ แ, ลแตนะ่มีความดีใจมีความเสียใจมีความสุขแล้วก็มีความทุกข์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 ป่วยนะป่วยแต่กายใจไม่ป่วยก็ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยสอนด้วยว่าเนี่ยเมื่อป่วยก็ให้ป่วยแต่กายนะอย่าให้ใจป่วยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะว่าแม้คนเราเนี่ยจะหนีวัตจักรแห่งความเกิดแก่เจ็บตายสูญเสียพัดพราไม่พ้นแต่เราก็สามารถจะยกจิตให้มันอยู่เหนือ ภาวะที่เป็นทุกข์เหล่านั้นได้อันนี้ก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ให้ความหวังนะแล้วก็กําลังใจกับคนเราในด้านหนึ่งพระองค์ก็สอนก็เตือนว่านะคะที่มีความสุขยังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังมีสุขภาพดีก็ระวังนะอย่าประมาทนะเพราะว่าสักวันหนึ่งก็ต้องแก่ต้องเจ็บนะ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 ไปจากสภาวะนั้นเนี่ยที่สวนโมกเนี่ยมันจะมีที่ห อ, อที่มรดโรมมรสมทางวิญญาณก็จะมีภาพนะคนที่ปิดหูไม่อยากฟังพระเทศพระสอนนะมาวัดแต่ไม่อยากฟังนะคนจำนวนมากก็เป็นแบบนี้นะคือมาวัดก็อยาจะได้ฟังเรื่องราวดีๆที่มันรื่นหูเช่นอายุวันณสุขพภะละ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 ผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบนะไอ้เวลาสุขพระงก็เตือนว่าอย่าเพลิในความสุขแต่เวลาทุกข์พระงก็บอกว่าอย่าไปจมอยู่ในความทุกข์นะเพราะว่ามันยังมีสุขให้เราได้ได้พบได้สัมผัสได้ทั้งใครที่มีความทุกข์ตอนนี้จะเป็นเพราะความแก่เพราะความเจ็บนะเพราะความพัดพลาเนี่ยลองมองดูดีๆนะมันมีสุขให้เราได้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 ด้วยโรคพุ่มพวงแล้วก็ค่อนข้างแรงนะร่างกายเนี่ผิดปกติไปหมดหน้าก็บวมนะมือไม้กระดูกเอนิ้วก็คดงอเรียกว่ามีทุกขเวทนาเต็มไปทั้งร่างอยู่ในห้อง ICU มาเป็นปีที่สีแล้วแต่เธอก็จะเรียกว่าหน้าตาแจ่มใสก็ได้ทั้งที่หายใจแต่ละทีก็ยากเวลาจะพูดแต่ละคำก็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 เกิดขึ้นกับเธอได้นะแม้ว่าจะยังเจ็บยังป่วยอยู่ตอนหลังเนี่ยก็ไม่อายเพื่อนแล้วแล้วก็ไม่อายใครด้วยนะกล้าที่จะให้คนเนี่ยถ่ายวิดีโอแล้วก็ไปเปิดให้ใครๆต่อใครดูขึ้น y o u t u นะให้คนทั้งโลกดูนะไม่ได้อายหน้าตาตัวเองว่าเนี่ยหน้าตานี้บวมนะหรือว่าอยู่ในภาวะที่ทุพพลภาพ อันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเธอหลายอย่างนะจากคนที่เคยอายนะอายเพื่อนก็ตอนนี้ก็ไม่ไม่อายจากคนที่ซัวตัวเองไม่มีคุณค่าตอนนี้ก็พ่อตัวเองมีคุณค่าแล้วก็คือการได้ทำประโยชน์ให้กับเด็กเล็ ก, ลกๆที่เจ็บป่วยใจใหญ่นะทั้งที่ตัวเองก็เอาตัวแทบไม่รอดแล้วจะพูดแต่ละประโยคแต่ละประโยกต้อง หยุดหายใจแต่ว่าก็ยังพยายามทําสิ่ er. ทงที่มีค่าสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับผู้อื่นซึ่งก็ช่วยทําให้เธอเนี่ยมีความสุขการช่วยผู้อื่นมาทําให้ใจมีความสุขเป็นความสุขที่หาได้ง่ายเพียงแค่ได้ทําอะไรเพื่อคนอื่นเท่านั้นละเธอบอกว่าแต่ก่อนเธอไม่มีความหวังในชีวิตเลย นะแต่ตอนนี้เธอมีความหวังล้นเปลี่ยมนะความหวังอย่างหนึ่งคือของเธอคือว่าตายดีนะตายสวยตายสวยในทนี่ไม่ได้แปลว่าตายแบบหน้าตาดีส飒สวยนะแต่หมายถึงว่าตายแบบใจสงบนะก็สามารถจะหาความหวังได้นะท่ามกลางความเจ็บป่วยซึ่งหมอนี้จนปัญญารักษาไม่ได้นะอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะ กับคนซึ่งเจ็บป่วยจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่แต่ว่าก็สามารถจะอยู่กับมันได้นะอย่างปกติสุขกายป่วยแต่ว่าใจเนี่ยนะมีความสุขเธอพบว่าจริงๆแล้วชีด น, นี่มันไม่ได้เลวร้วายนะชีพมันไม่ได้เลวร้วายอะไรชีพมันไม่ได้เต็มไปได้วยทุกข์แต่ที่เราทุกข์เพราะว่าเราหนีความสุขต่างหาก คนจานวนมากเนี่ยเท่าั้นที่มีสุขภาพดีมีกินมีใช้นะแต่ว่าจิตใจเต็มไปได้ทุกนะเพราะว่าเขาหนีความสุขหรือเขาปฏิเสธไม่ยอมรับความสุขที่มันมีอยู่กับตัวเขาอยู่แล้วเช่ในแต่ใครที่ดูคลิปในวิดีโอของจอยเนี่ยก็จะรู้ว่าโ อ, อ้ที่เราไม่ป่วยเนี่ยนะ ที่เรายังสามารถเดินเหินไปไหนมาไหนได้เนี่ยสุขแล้วนะที่เรายังสามารถจะกินอะไรก็ได้นะไม่ต้องกินทางสายยางอยากจะกินอะไรก็เดินไปกินนะหรือว่านั่งรถไปกินนะอันนี้เราสุขแล้วนะแต่คนจำนวนมากมองไม่เห็นนะมีพ่อมีแม่มีคนรักอยู่รอบข้างเนี่ยก็สุขแล้วนะแต่ไม่เห็น มองไม่ถูกมองไม่เป็นว่านั่นแหละคือสุขเราก็เอาแต่บนว่าทุกทุกทุกทุกมันไม่ใช่เพราะชีพมันเต็มไปด้วยทุกอย่างเดียวนะแต่เป็นเพราะตัวเองมองไม่เห็นความสุขหรือว่าหนีความสุขด้วยซ้ำนะอย่างที่พุทเจ้าตัดว่าเนี่ยนะผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบเนี่ยอันนี้มันเป็นความจริงนะที่เราต้องอต้องทําความเข้าใจ โดยพอเวลาทุกเมื่อไหรเนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะมันมีสุขมากมายที่เกิดขึ้นกับเราแล้วหรือว่ามีสุขมากมายที่เราสามารถจะสร้างขึ้นได้ไม่ยากนะมีสุขมากมายที่เราสามารถเก็บเกี่ยวได้ถ้าใจเราเปิดหรือว่าวางไว้ถูกเริ่มต้นจากการที่เรายอมรับสิ่งที่เป็นนะว่าเป็นธรรมดาไม่โวยวายไม่ตัดพ่อต่อว่าชะตากรรมนะ พอใจมันยอมรับได้เนี่ยนะจิตก็เปิดนะเปิดอะไรเปิดรับความสุขนะที่มีนะไม่ปฏิเสธไม่หันหลังหรือไม่หนีอย่างที่นะเคยทํามาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแม้ว่าพระเจ้าจะบอกเราย้ำกับเราอยู่เสมอว่าชีวิตที่เป็นทุกข์เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนะ